พระธรรมเทศนาแผ่นที่108ดลำดับที่12โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่12กรกฎาคม2560มีชื่อเรื่องว่าน้ำใจในความกระตันยูวันนี้ผมได้นิมนต์หมูพกเพื่อนมาไปชม ในระหว่างอย่างที่หลวงพ่อได้พูดผมได้พูดไวแต่เมื่อวันข้อพรรษาเด็กๆก็ข้าพรรษามาเมื่อวันที่เกนี่ก็เป็นวันที่สิบสองผมจะด้นิมนหมู่พวกเพื่อนมาประชุมอันดับแรกผมอยากจะให้หมู่พนะกกวกะที่บวชเข้ามาใหม่ถ้าจะได้อ่านหนังสือ ในเกี่ยวของวินัยก็คงจะหาวินัยอ่านก็คงจะยังไม่เข้าใจเพราะนั้นผมจึงเอาวินยัยวันนี้จะเอาวินัยมาอ่านให้พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเป็นเบื้องต้นซะก่อนผมจะให้อ่านให้ฟังแล้วก็แต่พ่อม่อ่านทั้งหมดหรอก2อย อ่านไปสักให้จบนิจคีน่าจะพอมั่งวันนี้แล้วก็ต่อไปก็จะให้อ่านอกีกเพื่อจะให้พวกเราได้รู้รศึกษาแต่ถ้าว่าพวกเราเมื่อได้ฟังแล้วเ อ, เอ๊ศึกษาบทวิในเนี่ย เ, เป็นมาอย่างไรก็ให้พวกเราไปค้นคว้าศึกษาเพราะห้องสมุดเรามีอยู่ไปเอาวิันมุกเล่มหนึ่ง เอามาอ่านเราพวกเราจะได้เข้าใจว่าวิาวนัยของพระพุทธเจ้าที่บัญญัติไว้เนี่ยนวโกวาตใช้คำว่าท่านพูดแบบยน่ยนย่ออ่ะพูดแบบย่นยอ่อแล้วก็ถ้าหากว่าเราอ่านวินัยมุกเล่มหนึ่งอาจจะเข้าใจได้กว้างขวางขึ้นนะเพราะนั้นผมเป็นเพียง แนแนวเบื้องต้นให้กับพวกเราท่านทั้งหลายพราพวกเราอยู่ด้วยกันเข้ามาคราวนี่เข้ามาเพื่อรักษากฎ ก, ฎกติกาหนึ่ง ม, มันมันมีมิติหนึ่งคือเราเป็นพระนะเราไม่ใช่เป็นคราวาสญาติโยมคราวาสญาติโยมเขาควรักษากฎหมายแต่เรารักษาทั้งวินัยด้วยทั้งรักษาทั้งกฎหมายบ้านเมืองเขาด้วยไม่ใช่ว่าเรารักษาวินัยของเราแล้ว เราจะไม่เคารพกฎหมายบ้านเมืองไม่ได้เพราะว่ากฎหมายากฎรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยรั่วกฎหมายาคนมาอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยต้องเคารพกฎหมายไทย เ, เพราะนั้นเราต้องเคารพกฎหมายจุดนั้นเราไม่ได้หลงละเลงละเลยแต่ในสินและภินัยเมื่อเข้ามาบวช เ, เข้ามาบวช ในพระพุทธศาสนาเราก็ต้องเคารพในกฎกติกาของพระธรรมวินยัยที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้บัญญัติอย่างไรอันนี้เราก็เคารพในกฎกติกาหลักพระธรรมวินยัยที่พวกเราเข้ามาบวชันน้วันนี้พวกเราเข้ามาบวชใหม่จะให้รู้ทุกทุกอย่างเป็นไปไม่ได้แต่ถึงยังไงก็ควรจะรู้รับรู้ พอกดและเบียรพิถัยศินและวินัยของพระพระ พ, พุทธเจ้าท่านตรัสท่านกล่าวไว้ว่าศินและวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตรถาคตก็ยังอยู่ตราบนั้นก็เป็นนว่าทําวินยัยพระวินัยของพระเนื้อวัลลภทําวินยัยเป็นหัวใจของพระพุทธาศาสนากวาา่าวได พระพุทธเจ้าตรัสอย่างนั้นถ้าว่าพวกเราไม่เคารพในสิกขาบทวินัยไม่มีศีลและไม่มีวินัยไม่มีศีลพูดง่ายๆพระไม่มีศีลไม่มีกฎกติกาการอยู่ด้วยกันอใส่ไม่ใส่ยู่ในฟอร์มจะใส่ยู่ในฟอร์มอื่นซะไว้ผมยาวซะพุทธศาสนาก็หมดไฟหลายเพราะว่าอเราไม่รักษาไม่รักษากฎ เม่อัาษากติกาไม่รักษารักษาธรรมวินัยพอพระพุทเจ้าตรัสที่ว่าออธรรมและวินัยยังมีอยู่ตราบใดศาสนาของตถาคตก็ยังอยู่ตราบนันพวกเราคิดดูสิว่าพระพุทธเจ้าตรัสมาทั้งสองพันกว่าปีจริงนะทางว่าพวกเรายังรักษากฎกติการักษาปวินัยอยู่ก็เป็นอนุา พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่เพราะนั้นเราควรจะเคารพกฎกติกาเมื่อกฎกติกาดีแล้วนะเราก็ศึกษาในทางด้านจิตภาวนาแนวความคิดของพุทธะต่อไปแต่ว่าพวกเราไม่มีศีลอยู่ด้วยกันระแวงแคงใจกันอยู่ไม่อยู่ในหลักพระธรรมใด จะศึกษาธรรมะขั้นสูงต่อไปก็คงเป็นไปไม่ได้นะเพราะนั้นธรรมะเบื้องต้นก็คือพื้นฐานเหมือนกับรั้วสองข้างถนนแปลว่าให้เราเดินไม่แหวแวะไปทางอื่นไม่แหวแวะเวียนไม่ให้พักทางอื่นเดินไปดูไปสู่จุดหมายปลายทางดูสู่มรรคผลนิพพาน ว่าพวกเราแวะข้างข้างทางแปลว่าทําผิดพินัยไม่มีศินแล้วพินัยทําผิดพินัยเราจะไม่เดินไม่ถึงจุดหมายปลายทางเพราะนั้นถึงศิลและวินัยเรามองข้ามไม่ได้เด็ดขาดพูดอย่างนั้นได้นะถ้าตอนนี้ไปผมจะให้ท่านท่านยากับท่านหนุ่มมานั่งเรียงกันนี่อ่านนาวโกวัตนะให้ท่านยาอ่านตั้งแต่อนุศาสตร์แล้วก็ให้ท่านหนุ่มอ่าน อเนยศจนจบนิตย์ีนะมาอ่านตรงนี้ก็ได้เอาอา จ, จะนะมาด้วยก็ได้ขอโอกาสพ่อแม่ครูอาจารย์กับผมนวโกวาสวินัยบัญญัติอนุศาสตร์8อยยางนิสัยสี่อคาการณียกิจสี่ปัจจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิตเรียกนิสยัยมีสี่อย่าง คือเที่ยวบินทบาทหนึ่งนุ่งห่มผ้าบางสกุลหนึ่งอยู่โคนไม้หนึ่งฉันยาดองด้วยน้ำมูดเน่าหนึ่งกิจที่ไม่ควรทำเรียกอาการณียกิจมีสี่อย่างคือเสพเมถุนหนึ่งรักของเขาหนึ่งฆ่าสัตว์หนึ่งพูดอวดคุณพิเศษที่ไม่มีในตนหนึ่งกิจสี่อย่างนี้บัรพชิตทำไม่ได้ ศิกขาของภิกษุมีสามอย่างคือศีลสมาธิปัญญาความสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลความรักษาใจมั่นชื่อว่าสมาธิความรอบรู้ในกองสังขารชื่อว่าปัญญาโทษที่เกิดเพราะความละเมิดในข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามเรียกว่าอาบัติอาบัตินั้นว่าโดยชื่อมีเจ็อย่างคือประชิกหนึ่ง สังคาทิเศตหนึ่งทุลจใจหนึ่งปาจิตตีหนึ่งปาติเทสนิยะหนึ่งทุกกฎหนึ่งทุภาสิทธหนึ่งประชิกนั้นภิกษุต้องเข้าแล้วขาดจากภิกษุสังคาทิเศตนั้นต้องเข้าแล้วต้องอยู่กรรมจึงพ้นได้อาบัตอีกหอย่างนั้นภิกษุต้องเข้าแล้วต้องแสดงต่อหน้าสงฆ์หรือคณะหรือภิกษุรูปใดรูปหนึ่งรูปหนึ่งจึงพ้นได้ อาการที่ภิสษจจะต้องอาบัตเหล่านี้หกอย่างคือต้องด้วยไม่ละอายหนึ่งต้องด้วยไม่รู้ว่าสิ่งนี้จะเป็นอาบัตหนึ่งต้องด้วยสงสัยแล้วขืนทำลงหนึ่งต้องด้วยสำคัญว่าควรในของที่ไม่ควรหนึ่งต้องด้วยสำคัญว่าไม่ควรในของที่ควรหนึ่งต้องด้วยลืมสติหนึ่งข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามซึ่งยกขึ้นเป็นสิกขาบทที่มาในพระปาติโมกหนึ่งไม่ได้มาในพระปาติโมกหนึ่ง สิกขาบทที่มาในพระปาติโมกนั้นคือปรารชิกสสังฆาทิเศษส3สอนิยตสองนิสักคียปาจิตตีสาปาจิตตีเกิปาติเทสนียะสเซคียะเจ็สบหรวมเป็น220ยี่สบนับทั้งอธิการณะสมถะด้วยเป็น227ยปรารชิกส1หนึ่ง ภิกษุเสพเมถุนต้องประชิก 2. ภิกษุถือเอาของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ได้ราคาห้ามาสกต้องประชิก 3. ภิกษุแกล้งฆ่ามนุษย์ให้ตายต้องปริชิก 4. ภิกษุอวดอุตริมนุษธรรมคือทมอันยิ่งของมนุษย์ที่ไม่มีในตนต้องประชิก สังฆาทิเศตสิบสามหนิกษุแกล้งทําให้น้ําอสุจิเคลื่อนต้องสังฆาทิเศตสองิกษุมีความกําหนัดอยู่จับต้องกายหญิงต้องสังฆาทิเศตสามิกษุมีความกําหนัดอยู่พูดเกี้ยวหญิงต้องสังฆาทิเศตสี่ิกษุมีความกําหนัดอยู่พูดล่อให้หญิงบําเรอตนด้วยกาม ต้องสังฆาทิเศษ 5. ภิกษุชักสื่อให้ชายหญิงเป็นผัวเมียกันต้องสังฆาทิเศษ 6. ภิกษุสร้างกุฎีที่ต้องก่อและโบกด้วยปูนหรือดินซึ่งไม่มีใครเป็นเจ้าของจำเพาะเป็นที่อยู่ของตนต้องทำให้ได้ประมาณด้วยยาวเพียง12คืบพระสุคตโดยกว้างเพียงเจ็ดคืบวัดในร่วมในและต้องให้สงสดงที่ให้ก่อน ถ้าไม่ให้สงแสดงที่ให้ก็ดีทำให้เกินประมาณก็ดีต้องสังคาทิเศษ 7. ถ้าที่อยู่ซึ่งจะสร้างขึ้นนั้นมีทายกเป็นเจ้าของทำให้เกินประมาณนั้นได้แต่ต้องให้สงแสดงที่ให้ก่อนถ้าไม่ให้สงแสดงที่ให้ก่อนต้องสังคาทิเศษ 8. ภพิสษุโกรธเคืองแกล้งโจษภิกษุอื่นด้วยอาบัติประชิกไม่มีมูลต้องสังคาทิเศษ 9. ภิกษุโกรธเคืองแกล้งหาเล่จ์ภิกษุด้วยอาบัติปรรชิกต้องสังฆาทิเศษสิบภิกษุภาคเพียนเพื่อจะทำลายสงฆ์ให้แตกกันภิกษุอื่นห้ามไม่ฟังสงสวดกรรมเพื่อจะให้ละข้อที่ประพฤตนั้นถ้าไม่ละต้องสังฆาทิเศษส1บภิกษุประพฤตตามภิกษุผู้ทาลายสงฆ์นั้นภิกษุอื่นห้ามไม่ฟัง สงสวดกรรมเพื่อจะให้ละข้อที่ประพฤตินั้นถ้าไม่ละต้องสังฆาทิเศษสิบสองภิกษุว่ายากสอนยากภิกษุอื่นห้าไม่ฟังสงสวดกรรมเพื่อจะให้ละข้อที่ประพฤตินั้นถ้าไม่ละต้องสังฆาทิเศษสิบสามภิกษุประทุสรายตระกูลคือประจบคฤหัตสงไ่เสียจากวัดกลับว่าติดเตียนสงภิกษุอื่นห้าไม่ฟัง สงสวดกรรมเพื่อจะให้ละข้อที่ประพฤตินั้นถ้าไม่ละต้องสังคารทิเศษอนยยศสองภิกษุนั่งในที่รับตากับหญิงสองต่อสองถ้ามีคนที่ควรเชื่อได้มาพูดขึ้นด้วยธรรมสามอย่างคือประชิกหรือสังคารทิเศษหรือปาจิตตีอย่างใดอย่างหนึ่งภิกษุรับอย่างใด ให้ปรับอย่างนั้นหรือเขาว่าจำเพาะทำอย่างใดให้ปรับอย่างนั้น2ภิกษุนั่งในที่รับหูกับหญิงสองต่อสองถ้ามีคนที่ควรเชื่อได้มาพูดขึ้นด้วยธรรมสองอย่างคือสังฆาทิเศษหรือปาจิตตีอย่างใดอย่างหนึ่งภิกษุรับอย่างใดให้ปรับอย่างนั้นหรือเขาว่าจำเพาะทำอย่างใดให้ปรับอย่างนั้น โ อ, อกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับผมนิสกิยะปาจิตตี0แบ่งเป็น3วักมีวักละสิบสิกขาวักที่1ได้แก่จีวราวโคข้อที่1ภิกษุทรงอดิเลกจีวรได้เพียง10วันเป็นอย่างยิ่งถ้าล่วง10วันไปต้องนิสกิยะปาจิตตีข้อที่2ภิกษุอยู่ปราศจากใรจีวรแม้คืน1ต้องนิสกิยะปาจิตตีเว้นไวแต่ได้สมมติ ข้อที่สถ้าผ้าเกิดขึ้นแก่ภิกษุภิกษุประสงค์จะทำจีวรแต่ยังไม่พอถ้ามีที่หวังว่าจะได้มาอีกพึงเก็บผ้านั้นไว้ได้เพียงเดือนหนึ่งเป็นอย่างยิ่งถ้าเก็บไว้ให้เกินกว่าเดือนหนึ่งไปแม้ถึงยังมีที่หวังว่าได้จะได้อยู่ต้องนิสขิยะปาจิตเตีข้อที่4ภิกษุใช้นางภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติให้ซักก็ดีให้ย้อมก็ดี ให้ทุบก็ดีซึ่งจีวรเก่าต้องนิสกิยะปาจิตเตข้อที่ห้าภิกษุรับจีวรแต่มือของนางภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติเว้นไว้แต่แรกเปลี่ยนกันต้องนิสกิยะปาจิตเตข้อที่หภิกษุขอจีวรต่อคาริหัดผู้ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวาวรณาได้มาต้องนิสกิยะปาจิตเตเว้นไว้แต่มีสมัยที่ขอจีวรได้คือ เวลาภิกษุมีจีวรอันโจนลักไปหรือมีจีวรอันชิบหายแล้วข้อที่7ในสมัยเช่นนั้นจะขอเขาได้ก็เพียงผ้านุ่งห่มเท่านั้นถ้าให้เกินกว่านั้นได้มาต้องนิสกิยะปาจิตเตอข้อที่8ถ้าคารือหัดที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาเขาพูดว่าเขาจะถวายจีวรแก่ภิกษุชื่อนี้ภิกษุนั้นทราบความแล้วเขาไปพูดให้เขา เข้าไปพูดให้เขาถวายจีวร อ, อย่างนั้นอย่างนี้ที่มีราคาแพงกว่าดีกว่าที่เขากําหนดไว้เดิมถ้าหากได้มาต้องนิสกิยาปาจิตเตอข้อที่9ถ้าคาฤหัสพูดถวายจีวรแก่ภิกษุมีหลายคนแต่เขาไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาภิกษุไปพูดให้เขาร่วมทุนเข้าเป็นอันเดียวกันให้ซื้อจีวรที่แพงกว่าดีกว่าที่เขากําหนดไว้เดิมได้มาต้องนิสกิยาปาจิตเตอ ข้อที่สิบถ้าใครใครนำทรัพย์มาเพื่อค่าจีวรแล้วถามภิสุว่าใครเป็นวัยาวิชกร์ของเธอถ้าภิสุต้องการจีวรก็พึงแสดงคนวัดหรืออุบาสกว่าผู้นี้เป็นวัยวิชกรของพิสุทั้งหลายขั้นเขามอบหมายให้วัยวิชกรนั้นแล้วสั่งภิกษุว่าถ้าต้องการจีวรให้เข้าไปหาวัยาวิชกรภิกษุนั้นพึงเข้าไปหาเขาแล้วทวงว่า เราต้องการจีวรดังนี้ได้สามครั้งถ้าไม่ได้จีวรให้ยืนแต่พอเห็นกันได้หกครั้งถ้าไม่ได้เขื่นไปทวงให้เกินกว่าสามครั้งยืนเกินกว่าหกครั้งได้มาต้องนิสกิยะปาจิตเตอถ้าไปทวงและยืนครบกำหนดแล้วไม่ได้จีวรจำต้องไปบอกเจ้าของเติมว่าของนั้นไม่สําเร็จประโยชน์แก่ตนให้เขาเรียกเอาคืนให้เขาเรียกของคืนเสีย วคที่สองโกสิยววรที่สองข้อที่หนึ่งภิกษุหลอสันทัดด้วยขนเจียมเจือด้วยไหมต้องนิสขิยะปาจิตเตอข้อที่สองภิกษุหล่อสันทัดด้วยขนเจียมภิกษุหลอสันทัดด้วยขนเจียมดำล้วนต้องนิสขิยะปาจิตเตอข้อที่สภิกษุจะหลอสันทัดใหม่พึงใช้ขนเจียมดำสองส่วนขนเจียมขาวส่วนหนึ่งขนเจียมแดงส่วนหนึ่ง ถ้าใช้ขนเจียมดำเกิน2 ส, ส่วนขึ้นไปต้องนิสกิยะปาจิตเตอข้อที่4ภิกษุหลอสันทัดใหม่แล้วพึงใช้ให้ได้6ปีถ้ายังไม่ถึง6ปีหลอใหม่ต้องนิสกิยปาปาจิตเตอเว้นไว้แต่ได้ส ม, มุติข้อที่5ภิกษุจะหลอสันทัดพึงตัดเอาสรรทัดเก่าคืบหนึ่งโดยราบมาปนอยู่ในสันทัดที่หลอใหม่เพื่อจะทำลายให้เสียสีถ้าไม่ทําดังนี้ต้องนิสกิยะปาจิตเตอ ข้อที่6เมื่อภิกษุเดินทางไกลถ้ามีใครถวายขนเจียมต้องการต้องการก็รับได้ถ้าไม่มีใครนํามานํามาเองได้เพียงสมโยต์ถ้าให้เกินสามโยต์ไปต้องนิสกิยอปาจิตเตอข้อที่7ภิกษุใช้นางภิกษุณีที่ไม่ใช่ญาติให้ซักก็ดีให้ย้อมก็ดีให้สางก็ดีซึ่งขนเจียมต้องนิสกิยาปาจิตเตอข้อที่8 ภิกษุรับเองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นรับก็ดีซึ่งเงินซึ่งทองและเงินหรือยินดีทองและเงินที่เขาเก็บไว้เพื่อตนต้องนิสกิยะปาจิตติข้อที่9ภิกษุทำการซื้อขายด้วยรูปียะคือของที่เขาใช้เป็นทองและเงินต้องนิสกียะปาจิตติข้อที่10ภิกษุแลกเปลี่ยนสิ่งของกับครืหัดต้องนิสยะต้องนิสกยะปาจิตตอ วที่ปัตตะวรที่สข้อที่1บาทนอกจากบาทอธิฐานเรียกอดิเลกบาทอดิเลกบาทนั้นภิกษุเก็บไว้ได้เพียง1ิบวันเป็นอย่างยิ่งถ้าให้ล่วง1ิวันไปแล้วต้องนิสขิยะปาจิตเตข้อที่สองภิกษุมีบาทร้าวยังไม่ถึง10นิ้วขอบาทใหม่แก่คาริหัดที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาได้มาต้องนิสกิยปาจิตเตข้อที่สาม ภิกสุรับประเคนเภสัชทั้ง5คือเนอยใสยเนยข้นน้ำมันพึ้งน้ำผึ้งน้ำอ้อยแล้วเก็บไว้ฉันได้เพียง7วันเป็นอย่างยิ่งถ้าให้ล่วงเจวันไปแล้วต้องนิสกิยาปาจิตเตอข้อที่4เมื่อฤดูร้อนยังเหลืออยู่อีกเดือนหนึ่งคือตั้งแต่แรมค่ำหนึ่งถึงตั้งแต่แรมค่ำหนึเดือน7จึงสแสวงหาผ้าน้าฝนได้เมื่อฤดูร้อนเหลืออยู่ อีกกึ่งเดือนคือตั้งแต่ขึ้นค่ำ1เดือน8จึงทำนุ่งได้ถ้าสแสวงหาหรือทำนุ่งให้ล้มกว่ากำหนดนั้นเข้ามาต้องนิกสกิยะปาจิตเตอข้อที่5้ภิกษุให้ซีวรแก่ภิกษุอื่นแล้วโกรธชิงเอาคืนมาเองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นชิงเอามาก็ดีต้องนิกสกิยะปาจิตเตอข้อที่6ภิกษุขอได้แก่คดแด่คาหัดที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปรวรณา เอามาให้ช่างหูกทอเป็นจีวรต้องนิสกิยะปาจิตเตข้อที่7ถ้าคาเหัดที่ไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณาสั่งให้ช่างหูกทอจีวรเพื่อจะถวายแก่ภิกษุถ้าภิกษุไปกําหนดให้เขาทําให้ดีขึ้นด้วยการให้รางวัลแก่เขาต้องนิสกิยะปาจิตเตข้อที่8ถ้าอีกสิบวันจะถึงวันปวารณาคือตั้งแต่ขึ้น6กค่าเดือน11ถ้าทายกเตรียบจะถวาย ถ้าจำนํนาพรรษาผู้รับเก็บไว้ได้แต่ถ้าเก็บไว้เกินการจีวรไปต้องนิสกิยะปาจิตเตะการจีวรนั้นดังนี้ถ้าจําพรรษาแล้วไม่ใช่กรานกถินนับแต่วันปวารณาไปเดือน1คือตั้งแต่แรมค่ำหนึ่เดือน11ถึงกลางเดือน12ถ้าได้กรานกถินนับแต่วันปวารณาไป5เดือนคือตั้งแต่แรมค่ำหนึ่เดือน11ถึงกลางเดือน4ี่ ข้อที่9ภิกษสุจำพรรษาในเสนาสนะป่าซึ่งเป็นที่เปลี่ยวออกพรรษาแล้วอยากจะเก็บตตรชีวรผืนได้ผืนหนึ่งไว้ในบ้านเมื่อมีเหตุก็เก็บไว้ได้เพียง6คืนเป็นอย่างยิ่งถ้าเก็บไว้ให้เกินกว่า6คืนไปต้องนิสกิยะปาจิตตีเว้นไว้แต่ได้สมมุติข้อที่10ภิกสุรู้อยู่น้อมลาบที่เขาถวายส่งมาเพื่อตนต้องนิสกิยปาจิตตอ ที่ท่านให้ปาทั้งสองท่านยาท่า น, นมุมอ่านวินัยให้พวกเราได้ฟังต่อไปเมื่อประชุมคราวหน้าจะอ่านปาจิตตียาบัตรปาจิตตีเก้าสิบสองแล้วก็เสกขยวัตเจ็ดสิบห้าแล้วก็ ปฏิปฏิเทธนิยะสี่เสกีวัตเิอธิกรณะสมถะเจรวมเป็น227แต่วันนี้อ่านให้ฟังก็คืออนุสาสแ์8กิจที่ควรทำและกิจที่ไม่ควรทำกิจที่ควรทำสอย่างกิจที่ไม่ควรทำสอย่างและก็วิธีการที่จะต้องอาบัตมี6อย่างต้องด้วยแมไม่ละอาย ต้องโดยไม่รู้ว่าทีนี่จะเป็นอาบัตนะแต่ทั้งไงก็ตามเมื่อเราบวชเข้ามาแล้วต้องศึกษานะจากนั้นก็อ่านถึงปาราชิกสีสังฆาทิเศษ13อนยยศ2องและ้วกะ็นิจกียปาจิตี30วันนี้นะวันต่อไปค่อยอ่านถึงปาจิตี92ปฏิเทชนิยะสี่เสขยวัตเิ น, นวโกว่าเนี่ยผมเป็นเองผมเองเป็นเนนผมท่องได้หมดนะพระลูกพระหลานนะจนถึงเกียรติค้านทำการงานหก เ, เพราะว่าอยู่ในป่าดงพงไพ่ออกจากภาวนาแล้วก็ไม่รู้ทำาะไรกับท่องหนังสือหลวงปู่ท่านบอกว่าเราเนี่ยท่องอวินยัยนวโกว่าเนจบนะเราก็ ก็ใชพยายามให้เดินตามหลวงปู่เราก็พยายามท่องให้จบมากพออ่านอนุสสารแ8อย่างก็หลับตาพูดไปเรื่อยๆจนเกียจค้านทำการงานหกแต่ต่อมามันก็ลืมนั่นแหละลืมเหมือนกันแต่ถึงยังไงก็ตามก็รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนอย่างไรพอเราเคยผ่านตามมาแล้วจากนั้นก็อ่านเรื่องวินยัย แต่ผมเลยศึกษาเรื่องวินัยแลวก็เรื่องพระสูตรนะแต่เรื่องพระอภิธรรมพระอภิธรรมเรื่องเรื่องมาติกาเรื่องอภิธรรมผมเรียนไม่มากผมยอมแพ้ผมอ่านเข้าไปแล้วผมใจไม่สู้ฮะเรื่องพระอภิธรรมนะแต่ก็สรุปได้ก็คือพระอภิธรรมมีมีอยู่สาม กุสลารธรรมาจิตที่เป็นกุศลอกุสลาธรรมาจิตที่เป็นอะกุศลคือจิตที่เป็นบาปอาัพยากตาธรรมาจิต ท, ที่เป็นกลางๆางจิตที่ไม่เป็นบาปจิตที่ไม่เป็นบุญเรียกว่าอะกุสลาธรรมาะอัพยกากตาธรรมานี่แหละแต่น่้ยกาอธิบายขยายผ ล, ลยยจิต ท, ท, ที่เป็นกุศลนจิตคิดยังไงที่เป็นกุศล จิตที่คิดเป็นอกุศลนะจิตคิดยังไงที่เป็นอกุศลเป็นทางบาปจิตเป็นกลางกลางนะจิตทํทำยังไงที่ว่าจิตเป็นกลางไม่เป็นบาปไม่เป็นบุญอันนี้ท่านก็อธิบายในในอภิธรรมพออธิบายเข้าไปแล้วฟังฟังแล้วมันสับสนไปสับสนมาผมก็เลยนี่แหละได้อ่านเกี่ยวกับวินยัยวินยัยเนี่ยผมได้อ่านเหมือนกับกฎหมายวินยัยต้องศึกษาให้ทีท้วนแล้วก็เรื่อง ชาดกเนี่ยได้อ่านแต่เรื่องจิตภาวนามันก็อยู่ในพระไตรปิฎกอ่านเข้าไปนี่แหละที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวเรื่องสมาธิอย่างนั้นเรื่องศีลอย่างนี้สมาธิอย่างนั้นเรื่องจิตเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตตานจิจจางจิตใจเกิดความเบื่อหน่ายคลายยังไง อันนี้อยู่ในพระไตรปิฎกถ้าพวกเราได้อ่านเล่มใหญ่แล้วนะอ่านเล่มใหญ่แล้วจะมาอ่านเรื่องพระไตรปิฎกสาหรับประชาชนของท่านสุชีปุญญานุภาพนะที่ท่านพิมพ์ที่วัดมังเอยของมหามกุฏนะอันนี้จะเข้าใจได้ชัดนะเพราะท่านเขาจนย่อมาแล้วนะ แต่ถ้าเราไปอ่านเล่มใหญ่ๆเลึงใหญ่ๆสี่สิบห้าเล่มหรออือนั่นอ่ะอ่านเข้าไปแล้วมิถุปวดหัวน่ะอ่านไปไม่กี่น้ำหรอกถ้าใครอ่านจบได้นะว่าเก่งแต่แต่ผมอ่านดูแล้วผมออพอรู้เรื่องแล้วผมก็เลยถอยอ อ, ออกมาก็มาอ่าน อ, อ, อ่านทางชาดกอ่านทางเรื่องต่างๆ เ, เข้าใจฮะ เพราะในการศ okay, ึกษาในฝ่ายปริย so, ัตในเมื lunch, ่ออ่านายศึกษาปริยัตแล้วมันก็อ้างอิงถึงปฏิบัติด้วยปฏิบัติปริยัตปฏิบัติปริยัตคือการเร้าเรียนศึกษาปฏิบัติเมื่อศึกษาเร้าเรียนศึกษาแล้วลงมือปฏิบัติในเมื่อปฏิบัติแล้วผลแห่งการปฏิบัติเรียกว่าปฏิเวทปฏิเวทธรรมผลแห่งการปฏิบัติ ถ้าเราจะเปรียบเทียบใ ห, ให้เห็นเป็นรู ป, ปรธรรมก็คือปริยัตเหมือ น, นเราโรงเรียนหนังสือหมหาวิทยาลัยหรือว่าทุกขแขนงน่ะปริยัตปฏิบัติเมื่อเราเรียนจบหลักวิชาการแล้วเราก็นำมามาปฏิบัติถ้าใครเรียนวิชาทางคณิตศาสตร์คนทำคณิตศาสตร์มาเป็น ทำงานทำการเกี่ยวกับธ น, นาคารเกี่ยวกับการเงินถ้าใครเรียนกฎหมายคนนำกฎหมายนั้นมาว่าความมาเป็นพิพากษาอายการทนายความถ้าเราเรียนแขนงไหนกเกษตรก็ต้องนำเอากเกษตรที่เรเรียนได้ศึกษามาเอามา ป, ปฏิบัติอันนี้เรียองว่าเมื่อปริยัต เรียนแล้วก็นํามาปฏิบัติในเมื่อปฏิบัติลงไปแล้วเนี่ยปฏิเวทคือผลแห่งการปฏิบัติในเมื่อเราเอาเรียนวิชาวิชาเกษตรมาปฏิบัติเราก็ปลูกข้าวปลูกอะไรแล้วก็ผลแห่งการปฏิบัติของเราก็เป็นผลงอกเงยคือเมล็ดข้าวหรือผลผลิตต่างๆมะม่วงอะไรนี่ผลผลิตของเราอันนี้เราบอกปฏิปฏิเวทยอย่างหมอ เมื่อเรียนหมอก็เรียกปริยัตในเมื่อปฏิบัติกดดูแลรักษาคนไข้ในเมื่อรักษาคนไข้แล้วคนไข้าหายไข้ก็เอาเงินให้ เ, เงินทดแทนให้หมอหมอก็ได้รับได้รับเงินจากคนไข้อันนี้การรับรับเงินจากคนไข้เนี่ยเรื่อว่าปฏิเวทปฏิเวทธรรมนี่อันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเรามาศึกษาศึกษา รู้จักแนวทางปฏิบัติให้รู้ปริยัติรู้จักแนวทางจากเมื่อจกักรู้จักแนวทางจากคู่บาอาจารย์ว่างจากเทพจากหนังสือจากคูบาอาจารย์แนะนำเรียว่าปริยัติทั้งหมดเพราะยังไม่ใช่ของตัวของตัวนะเราศึกษาจากนั้นเมื่อศึกษาแล้วเนะ่เรานามาปฏิบัติมานั่งภาวนาเองมาคุ้นคิดตัวเองนั่งภาวนาบังคับตัวเองให้มาก จนจิตใจสงบจิตใจเน่งจิตใจสงบพอจิตใจสงบแล้วนะอันนี้เรียกว่าผลแห่งการปฏิบัติคือปฏิเวทปฏิเวทเป็นขั้นขั้ตอนขึ้นไปจนจิตหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสอันนี้ก่นเนี่ยนคะือปฏิเวทธรรมเพราะฉะนั้นให้พวกเราปริยัติก็ดีปฏิบัติก็ดีมันไปมันมันต้องศึกษาไปด้วยกัน พนักงานในพวกเราทุกๆท่านนะมาบวชในคราวนี้ครั้งนี้มาเพื่อการศึกษาศึกษาในระบบในมิติหนึ่งหรือว่าในแขนงหนึ่งในโลกเนะี่ยวิชาหนึ่งในมหาวิทยาลัยก็มีหลายวิชาแต่วิชาพุทธศาสนาเป็นวิชาหนึ่งเป็นวิชาหรือพหรือชาตินะ ไม่ให้ไม่ให้มาเวียน่หวตายเกิดอันนี้เป็นวิชาหนึ่งที่เราศึกษาในหลักของพุทธศาสนาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านนำมาประพฤติปฏิบัติทั้งประยัตแล้วก็ลงมือปฏิบัติจากนั้นก็น่ท่านรู้แจ้งเห็นจริงในการประพฤติปฏิบัติของท่านอันนี้เรียกว่า หนทางหรือว่าการปฏิบัติเพราะนั้นในพวกเราที่เข้ามาศึกษาเนี่ยก็ให้ให้ศึกษาเพราะว่าวิชาในโลกนี่มีมากมายถ้าเราศึกษาดูให้ดีแล้วหลักวิชาของพระพุทธศาสนาเนี่นะวิชาทางโลกมีแต่เรียนเรียนส่งออกนอกนะเรียนส่งออกนอกคล้ายๆกับว่าพอเรียน เรื่องนี้ขึ้นมากคุณหนึ่งคิดอพอคิดขึ้นมาแล้วไปปฏิบัติดูได้ผลได้ผลอย่างที่ตัวเองคิดแล้วเขียนเป็นตำรา ข, ขึ้นม า, อาบอกเนี่ยต้องทำอย่างนี้อย่างนี้นะแต่คนที่สอง เ, อเป็นลูกศิษย์ไปเรียนไปเรียนวิชา ท, ท, ที่อาจารย์คนก่อนคิดอพอเขาได้ผลแล้ว อย่างที่วิธีการสร้างบ้านอย่างนี้วิธีการช่างว่าจะทำปูนซีเมนต์อย่างไรจะทำให้เสาแข็งมั่นคงเขาคิดเรื่องปูนซีเมนต์พอคิดคิดมาแล้วเป็นปูนซีเมนต์วิธีผสมปูนเขาทำยังไงขนาดที่จะให้มันแข็งหนึ่งสองสามหนึ่งคืออะไรคือปูนสองคืออะไรคือทราย 3คืออะไรคือหิ น, นหนึ่งสองสามแปลว่าผสมผสมให้ไดส้สวนกันจากนั้นเป็นมาตรฐานแปลว่าปูนแข็งนะเป็นปูนที่แข็งนหนึ่งสองสามนีเขาเขาก็เทปูนขึ้นมามันก็แข็งดูได้ไม่หักไม่โค่นไม่บุบสลายใส่เป็นคานก็ดูได้แต่มันต้องพอเทเสร็จแล้ว ต้องให้ได้เจวันซะก่อนถ้าปูนอปอดแลนด์ต้องบ่มน้ําให้แข็งเจ็ดวันจึงจะรับน้ําหนักได้อันแร้ก็คือภาคปฏิภาคปริยัติเมื่อเขาเรียนขเขาเขียนเสร็จแล้วเขาปฏิบัติเพราะปฏิบัติเสร็จแล้วก็เขียนเป็นตาราขึ้นมาเด็ดเลยเขียนเป็นตาราขึ้นมาจากนั้นเราก็ได้เรียนวิชาตําราวิธีการผสมปูนมัดเหล็กทํำยังไง อันนี้ก็ลักษณะนั้นแหละคือต้องเรียนแล้วก็ต้องปฏิบัติแล้วก็เขียนเป็นตำราอันนี้คือเรียนไปรู้จักจบเท่เนี้ยวิชาอื่นขึ้นมาก็นั่นจะทำยังไงปูนจะแข็งเร็วทำยังไงจึงจะใช้ประหยัดเวลาไม่ต้องทำคานอะไรลักษณะนั้นต่างคนก็ต่างเรียนออกไปเรื่อย วิชาไหนต่อวิชาไหนในโลกนี่มากมายเลเนี่ยเรียนวิชาแต่วิชาของพุทธศาสนาในต่างนะต่างวิชาทางโลกอย่างมากๆเลยใช่ถ้าเราศึกษาให้ดูให้ดีแล้ววิชาทางโลกเนี่ยเหมือนกับเราส่องไฟฉายได้ไฟฉายมากระบอกหนะึงแล้วก็เปิดสวิตซ์ตับ๊บแล้วก็แสงสว่างจ้าออกไปข้างนอกนะพอเปิดสวิตซ์กลางคืน เราก็ไปเห็นต้นไม้ภูเขาเห็นสัตว์สาลาสิงพอไปเห็นช้างเราก็เรียนเรื่องช้างพอไปเห็นวัวเห็นควายเห็นเสือสิงกระเทงแรดเราก็เรียนวิชาเราก็เห็นต้นไม้ก็เรียนวิชามากมายเรียนวิชาตามที่ตามที่ไฟสองส่องออกไปไฟสองนั่นคือปัญญาของแต่ละคนหัวใจแต่ละดวงนะแต่ละคนเป็นความคิดส่องออกไปไปเห็นแล้วก็ไป เปียนขแขนงที่ไปเห็นวิเคราะห์วิจารออกมาเขียนเป็นตำรับตาราออกมาพอคนได้เขียนได้ขนาดหนึ่งคนที่สองเขียนต่ออีกที่ค้นคว้าศึกษาได้มาอีกคนที่สุกค้นคว้าศึกษาเขียนต่ออีกต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าวิ ช, ชาในโลกมันมันมีมาก แต่วิชาของพุทธศาสนาเนี่ยเที่ยวว่าทำไมจะว่าต่างแตกต่างกันพิชาของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ให้เรียนออกนอกทนีท่านให้เรียนย้อนมหาตัวตัวทุกตัวผู้รู้คือหัวเทียนไฟฉายไงไฟฉายอันนี้สแสวงแสงสว่างออกไปออกไปจากไหนจากหัวเทียนไฟฉายในเมื่อหัวเทียนไฟฉายมันพเนจรออกไปเพราะเรากดชีวิตมันออกไปเพราะเราคิด แต่นหลักของพุทธศาสนาย้อนมาดูหัวเทียนทนี่นย้อนมาหาหัวเทียนเรื่องทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากไฟฉายทั้งหมดที่มันสแสวงออกไปทั้งนอกที่เราไปตะคบเรื่องนั้นเรื่องนี้วิจารณ์เรื่องนั้นเราเห็นแต่ใ น, นพอย้อนเข้ามาหาตัวใจนี่นะดับสวิตเลยตับพุทธศาสนารู้ได้ว่าเรื่องทั้งหลายทั้งปวงใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้า สำเร็จแล้วด้วยใจมันไม่ใช่ออกจากที่อื่นมันออกไปจากใจทั้งหมดเรื่องทั้งหลายทั้งปวงเรื่องโลภก็ดีโกรธก็ดีหลงก็ดีรักก็ดีเกลียดก็ดีโมโหโกทาก็ดีที่เราไปขึ้นก็ดีในสงฆ์ในศาลก็ดีข่าฟันรันแทงกันก็ดีสร้างศัตรูอาวุธก็ดีจะห้ำหั่นฆ่ากันก็ดีมันล้วนแล้วแต่ออกเหรียญวิชาออกไปทั้งหมด ออกไปจากใจทั้งหมดใจมันคิดซะก่อนใจมันคิดซะก่อนแล้วก็ทําทาสัตว์ราอาวุธขึ้นมาเพื่อจะขัดประหัดประหารฆ่ากันมันออกไปจากใจทั้งหมดพอจากนั้นพระพุทธศาสนาเนี่ยพระทานคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านเลยให้ย้อนมาดูที่ใจการคิดอย่างนั้นมันคิดดีไหมคิดจะทําร้ายทำร้ายคนอื่นมันดีไหมถ้าเขามาทําร้ายให้กับเรานะเราชอบใจไหม ถ้าเราไปทำให้คนอื่นเขาชอบใจไหมนี่เทนี้ก็มันย้อนมาหาตัวเองเลนี่ยหลักธรรมคาสอนของพุทธะเนี่ยท่านเยมองมาหาตนเองถ้าเราไปทำให้กับเขาเขาทุกข์ใจเขาเดือดร้อนเออแลเราจะเราจะเราจะโลกทั้งโลกจะสุขได้ยังไงใช่เราไปทำให้กับเขาเขาเดือดร้อนเราก็ฉาใจแต่ในเมื่อกำ ต, ต, ตัวนั้นกมตัวนั้นกลับมาสนองเราเน่ย เราจะเป็นยังไงเราสุขใจไหมเราก็ทุกข์ใจเหมือนกันเพราะกรรมนั้นมันย้อนมาหาตนเองมีดเล่มเก้านั่นแหะเมื่อเราไปแทงเขาเนี่เขาหน้าบูดหน้าเบี้ยวเขาจะตายเขาเจ็บตัวขยิ่งแทงเข้าไปในเมื่อเขาจับได้จะเนี่ยว่าตัวเองไปแทงเขาทำร้ายเขาแล้วเขาเมื่อเอามือควายหลังเขามีดแทงตัวเองนิดจะเนี่ยเอามาเสียบข้อหลังตัวเองเน่อยตัวเองจูงหัวเราะได้ไหมดูซิ จะเป็นกับกิริยาอย่างไรนั่นแหละนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพุทธะท่านให้ย้อนมาหาตัวผู้รู้คือใจอย่าไปหลงอย่าไปทําสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันไม่ดีอย่าคิดเมื่อคิดแล้วอย่าทําแล้วอย่าพูดมันออกไปจากใจทั้งหมดสรุปแล้วท่านจึงว่ามนโนปุพังคมาธรรมามนโนเสถามนโนมายา เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วรัวใจนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนานี่ยแต่วิชาทางโลกอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวท่านจะคบไปเรื่อยเรียนเท่าไหร่ก็ยิงกว้าง ข, าขวางไปเรื่อยนาส่งนาซ่าขึา้นดาวดวงนั้นดาวดวงนี้ที่มากมายแต่สิ่งที่ไม่รู้กับมีในโลกเนี่ยไม่ใช่ว่าจะรู้หมดทุกอย่างไม่ใช่ดาวอยู่ในโลกดูสิ ในท้องฟ้ามันมากขนาดไหนแต่เข้าไปได้กี่ดวงะ่ะนาซ่าว่าเก่งไปได้ดวงจันทร์กระดวงดาวพระอังคารดวงอื่นๆละ่ะในท้องฟ้านะ่ะยังไม่ถึงถ้ายังไม่ถึงแสดงว่าเรารู้หมดใช่ไหมไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นที่เราไม่ถึงนะคือเรายัางโง่อยู่จังไปไม่ถึงนี่แหละวิชาในโลกนี่มันมีมากมายที่พวกเราจะเรียนรู้เพราะนั้นรพระพุทธเจ้าจึง ท่านจึงตรัสว่าดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายที่เราตถาคตได้ตัตรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพในวันเดือนหกเพนนนั้นเรารู้ทั้งหมดสยามภูรู้แจ้งโลกแต่ว่าที่เราจะนํามาสอนพวกเธอท่านทั้งหลายนี้เหมือนกับกํำไม้ใบไม้ป่าดุในกํามือของเราที่เรากวาดกํามือของเรานี่ ใบไม้ประดูในกำ ม, มือของเรากับใบไม้ประดูที่มันลงกรดในพื้นแผ่นดินเนี่ยพวกเธอท่านทั้งหลายว่าอันไหนมากกว่ากันพระสงฆ์ทั้งหลายว่าใบไม้ประดูในกำ ม, มือในคำประหัดของพระองค์น้อยนิดแต่มันตกในพื้นแผ่นดินมากกว่าพระเจ้าค่ะนี่แหละสงฆ์ทั้งหลายพระธรรมคําสอนของเราตถาคตที่เรารู้วิชาในโลกที่เรารู้ มากมายแต่จะนํามาสอนให้พวกเธอทั้งหลายท่านทั้งหลายนะั้นไม่เกิดประโยชน์แม้แตว่วิชาประหรัดประหารมิธริข่าววันแล้แทงเอารถเอารัดเอาเรียบกันแต่วิชาที่จะทําให้พวกเธอเกิดความเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารเนี่ยนี่แหละที่เรานํามาสอนเพียงกรรมมือเดียวถึงกรรมมือเดียวก็เถิด พระไตรปิฎก8 4ด0 0ี่พันพระธรรมขัน โ, โหถ้าเราได้ศึกษาแล้วไม่ใช่ปัญญาธรรมดาย้อนยอกย้อน เ, ออเรื่องอะไรต่อม่อะไรมากมายถ้าเราได้ศึกษาแล้วแปลว่าเต็มอยู่ในนั้นหมดวิชาความรู้ใครจะว่ารู้เก่งขนาดไหนก็เถอะถ้านได้อ่านในพระไตรปิฎกแล้วเนี่ยแต่ย่องสยบโอ้โห วิชาของพุทธศาสนาไม่ใช่ธรรมดานี่แหละอันนี้คือให้พวกเราท่านทั้งหลายที่ผมพูดให้ฟังทางนี้ทั้งนั้นผมก็ไม่ใช่ว่าหลงงมงายจะว่าหลงหลงงมงายก็ใช่ยอมรับแต่ได้อ่านดูแล้ววิชาของพุทธศาสนาเนี่ยมีมากมายถือว่าเรื่องการแสดงความกตัญญูกตเวทีตาเรื่องมีเมตาตาธรรมต่อกันท่านว่า ผู้ใดก็ตามถ้ามีเมตตาต่อกันมีความกตัญญูตะเวทิตาอยู่ในในผู้ใดล่ะผู้นั้นมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวไปนสถานที่ใดอยู่ในชุมชนกลุ่มใดชุมชนกลุ่มนั้นก็รักเขารกักเมตตาเพราะไรเพราะเขาเป็นผู้มีเมตตาเขาเป็นผู้มีความกตัญญนะูนี่แหละอันนี้ก็คือหลักธรรมคำสอนของพุทธะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ฟังก็ยังได้นะ อย่างที่สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีนะ่าวนั้น พ, พระพุทธองค์ปาราบถึงพระอานนท์พระอานนท์ในวันนั้นได้รับผ้าจากกษัตริย์พระเจ้าแผ่นดินเขาถวายท่านพันผืนเป็นผ้าพันพัน ทั้งพันผืนนะแต่พระอนุลได้รับมาแล้วคนทั้งหลายก็พระเจ้าเป็นดินเออที่แรกก็น่นะสนมกำนันเขาถวายมาพระเจ้าเป็นดินก็เอ๊ะพระอนุลจะเอาไปไว้ที่ไหนผ้าถึงมากถึงขนาดนี้พระอนุลท่านก็ถามอ่ท่านอนุลท่านได้ผ้ามามากๆแต่ท่านจะไปเอาไว้ที่ไหนไปเก็บไว้ยังไงพระอนุลบอกว่า ที่อาตมาได้ผ้ามาแล้วอาตมาก็จะถามพระภิกษุว่าท่านผู้ใดอที่ผ้าชำรุดมามารับได้นั่นละเมื่อรับไปแล้วผ้าจํานวนนั้นล่ะผ้าจํานวนที่องค์ที่รับได้ลแล้วก็ผ้าองค์นั้นแหละไปไว้ที่ไหนพระองค์นั้นก็ให้องค์ที่ชำรุดมากกว่าองค์ไหนที่ชำรุดมากกว่าบอกไปองค์นั้นไปเอง แล้วแล้วองค์ที่สุดท้ายเราจะทำไงท่านบอกองค์ที่ชมพูที่มันขาดแล้วเน่ยเราก็เอามาย่ำย่าให้มันเป็นให้มันขาดเสร็จแล้วก็เอาไปผสมกับดินเหนียวพอผสมกับดินเหนียวแล้วเอามาฉาบฝาเป็นฝาผนังฝากุฏิเพื่อกันแดดกันลมกันฝนกันลมถ้าเอาแต่ดินเหนียวเนี่ย มันหลุดได้ง่ายมันต้องเอาผ้าเป็นใยข้างในเสร็จแล้วก็ฉาบนอกเหนือจากเอามาเป็นผ้าเช็ดเท้าเสร็จแล้วมันขาดยุยยี่เกินกว่าที่จะเป็นผ้าเช็ดเท้าได้เนี่ยเราเอามาย่ำให้เป็นเยื่อเป็นใยสำหรับผสมกับดินเหนียวฉาบกุฏินีท่านโอโหท่านอานน์ ท่านทำละเอียดถึงขนาดนี้ไม่เสียหายเลยพระเจ้าปดินพระเจ้าอุเทนเกิดสักไทยถวายอีกพันเพืินอีกนะนี่แหละอันนี้พระองค์ก็บอกว่าเพราะพระอนตนเป็นผู้มีความกตัญญูกะตะเวที่ตามีน้ำใจมีเมตตาต่อเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายทั้งปวงท่านจึงมีเป็นที่ยอมรับ อาโนนเคยเป็นมาแล้วในอดีตอานน์เคยเป็นมาแล้วในอดีตพระสงฆ์ทั้งหลายก็เลยกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าสมัยหนอสมัยไหนหนอพระเจ้าข่าสมัยหนึ่งพระเจ้าพมทัศของราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีข่าวนั้นมีพรามคนหนึ่งโดอยู่กรุงพาราณสี ออกไปบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่านตามลำพังฤาษีเจนู่ชอบอยู่คนเดียวนะออยู่ตามลำพังสวยห า, หากินผลละมากลากไม้หัวบัวเง่าบัวมากบัวนะผลลไม้ป่านะอันไหนเป็นเครื่องเลี้ยงเฉียบหามาทานมากินเป็นวันๆไปพอประทังชีวิตนะท่านอยู่ในป่าตามลำพังแต่วันนั้นพระเจ้าเป็นดิน ไปปราบโจนในชนบนบดไงคือชนบทเขาแข็งข้ออไอ้ข่าวบอก เ, อเขาป่นฉรอมในชนนบดพระเจ้าแผ่นดินก็ยกทัพไปไปปราบหมู่โจนะพอไปปราบหมู่โจนหมู่โจรมันมากกว่าทีนี้อพอมากกว่าเนี่ก็ไล่พระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าแผ่นดินแตกทัพเนะี่ยเอเจนาอมัดไปกลุ่มหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินก็ขึ้นช้างเลยก็ เราหกเรเหินเข้าป่าดงพงไผไปเลยทีนี่หนีตายวยู่งั้นนะพราหนีไปเดี๋ยวไปไปถึงอาสมไปถึงอาสมฤศีเนี่ยพอไปถึงฤศีเป็นไม่ยุททีนี่ฤศีไปหาผลละหมากลากไม้ในป่าไม่ยังไม่กลับมาพระเจ้าไปดินี่หิวน้ํา ใ, ใจจะขาดทีนี่ไปหาตุ่มก็ไม่มีน้ําไปหาที่ไหนก็ไม่ได้น้ามองไปมองมาไปเห็นบ่อน้ํา อยู่ในสุดทางจงกรมของฤๅษีพอไปดูโอ้เห็นน้าอยุดมันลึกมากเลยท่นะี่พอมันลึกมากเลยพระองค์ก็ไม่รู้จะทำยังไงแก้สายประคดช้างท่นะี่ประช้างที่รัดรัดทองช้างนะอพอแก้เสร็จแล้วก็กายใช้สายประคดมัดขาช้างนะพอมัดขาช้างจอนลงไป พอองคใจไม่ถึงนะพระ อ, องค์ใช้ผ้าภูษาคือผ้าที่ถือไปด้วยในรัดตัวถือลงไปด้วยถือไปด้วยกบมัดใส่เชือกช้างย่อนลงไปอีกยังไม่ถึงอีกพราะในสุดลือสีอพระเจ้าเป่นดินมันยังหิวน้ำถปล่อยเชือกตุมตกตามลงไปในน้ำได้กินน้ำานะึพอดื่มน้ำเสร็จแล้ว ขึ้นไม่ได้อีกบาดเนี่ยพราะมันสร้างบ่อมลึกไงเพราะขึ้นไม่ได้ช้างก็ยืนยืนอยู่ปากบอ่อเท่นี่เออเพราะเจ้านายตกลงน้าเนี่ยช้างแสนรู้อ่ะช้างก็ไม่หนี่นี่ลือศีก็มาไอ้มันเป็นไรช้างจะไปดูดูแล้วลือศีก็มองมองไปโอ้คนตกน้ําเนี่ย อย่างดีเลยฤษีไม่กลัวช้างแต่เป็นยังหลวงพ่ออีโนโ้ยไม่ใกล้แล้วว่าช้างตัวบักใหญ่เท้อเลือยอยู่ข้างๆบอ่อใช่ไหมฤษีขนาดว่าเก่งยด้หลวงพ่อว่านะไม่กลัวช้างนะอันนี้ฤษีเขเลยไปหาไม้เขาเรียกไม้พระองค์ไม้พระองค์คือไม้บันไดนะบันไดเลงเป็นไม้เผาไม้ไผนะ่คือว่าเขาตัดไม้ไผ่คือมาแล้วก็ อาจเป็นตุ่มๆๆขึ้นมาทั้งสองข้างตําหรับพาดลงไปเขาเรียกวไม้พระองค์ไม้พระองค์พาดลงไปพอพาดลงไปพระราชาก็เลยปีนป่ายขึ้นมาได้พอปีนป่ายขึ้นมาได้อก็เอาช้างไปให้กินหญ้าเสร็จแล้วก็หาน้ำเอาช้าน้ำให้ช้างกินเสร็จแล้วก็เอาม้านช้างไปมัดอพอทฤษฎีก็ดูแล พระเจ้าเป็นดินอย่างดีให้อาหารการบริโภคผนลหมากลากไม้ออมาให้พระราชาเฉวยแล้วก็ดูแลผลนิบัติอย่างดีดูแลเต็มตามบรรภาพที่อยู่ในป่ารงพงไพ่สรุปแล้วคือมีน้ำใจอย่างสุดซึ้งพระเจ้าแผ่นดินก็ประทับใจเห็นว่าโอ้ฤาษีเป็นผู้มีพระคุณ จากนั้นก็อยู่กับปลือสีแคสามวันหายเหนื่อยพอหายเหนื่อยแล้วก็ขึ้นหลังช้างก็หาหาทางออกมามาบริวารทั้งหลายก็ไปต้อนรับเอาเข้าไปในเมืองจากนั้นก็เข้าไปอยู่เมืองพอต่อมาลือสีนะ่ยอยู่ในป่าเนี่ยก็นานพอสมควรอยากจะอยากจะกินเกลือเนะี่ยพวกอาหารเผ็ดเค็มรนะือสนะีขาดเกลือเลย ก็เลเข้าไปในเมืองเข้าไปก็ไปอยู่ในอุทยานของพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าพระราณศีพระราณสีก็ทราบออกไปดูโอชายลือศีที่เราไปอาศัยจริงเจ้งเนี่ยลือศีท่านนี่ยท่านนี้พระเจ้าไปดึงก็เลยดูแลผลิบัติเอ่อข้าวให้ข้าน้ําโภชนาอาหารอย่างดีเลี้ยงดูปูเสืออย่าง เต็มที่เลยอาหารอันปราเนตทีนี้พวกลูกชายมหาอุปราชและกพวกราชสเวเกทั้งหลาย เ, ยเอ๊ะทำไมลือีทุกคนนี้จะว่ามีวิ ช, ชาความรู้อะไรก็ไม่มีก็เป็นลือีธรรมดาแต่ทำไมพระบิดาจึงให้ความเคารพเออเคารพหนอบน้อมถึงขนาดนี้เออทำไม คุณพ่อจึงให้พระเจ้าประดินจึงให้ความคเคารพอ่าท่นนี้เขาก็บอกว่าทําไมพระบิดาจึงให้ความเคารพกับฤือศรีจนเกินประมาณเทรมัง่งคุณพ่อดูๆแล้วมันเกินประมาณเทรมังลือศรีนี่ก็ไม่มีวิชาอะไรที่จะให้พ่อคุณพ่อเคารพพระบิดาก็บอกลูกเอ้ยพ่อนี่นะหนีทัพแตกทับไปในคราวนั้นที่เขาไปในป่าไปตกอยู่ในบ่อน่ะ ถ้าว่าลือสีเนี่ยไม่เอาขึ้นมาพ่อตายในบ่อแล้วเดี๋ยวนี้พ่อยังอยู่เดี๋ยวนี้เหมือนกับเหมือนกับพ่อในตายไปแล้วไปป็โลกแล้วไปป็โลกภายภาคหน้าแล้วตายแล้วเดี๋ยวนีเ้เหมือนชีวิตที่ตายแล้วท่านลือสีไม่เอาขึ้นจากบ่อเพราะมันขึ้นไม่ได้เพราะนั้นลือศีเนี่ยเป็นผูมีพระคุณสำหรับพ่ออย่างมาก พ่อจึงได้เห็นท่านมาอยู่ที่อุทยานหลวงพ่อเองจะได้ดูแลปนนิบัตอิอย่างอย่างเตียกิจจังที่พวกเธอท่านทั้งหลายเห็นออเอาเถอะนะเพื่อท่านทั้งหลายให้ดูแลทดลองทดแทนแทนพ่อหน่อยนะนี่แหละเป็นผู้มีพระคุณที่ทําให้พ่อไม่ตายพดปลอดพ้นจากความตายท่านก็ดูแลอีกต่างหากเพราะฉะนั้นการดูแล ในคราวนี้เพียงนิดหน่อยถ้าจะว่าไปแล้วนะเพราะนั้นผู้ลูกทั้งหลายจงพูกเป็นผู้มีเมตตาและกรแสดงความกตัญญูต่อผู้มีอุปกรณ์คุณฤศีท่านนี้เป็นผู้มีอุปกรณคุณก่อนที่ท่านเอาชีวิตพ่อขึ้นมาได้ที่พ่อไม่ตายในบ่อน้ําถ้าฤศีไม่เอาขึ้นมาพ่อก็ตายแล้วนะเพราะนั้นให้ลูกทั้งหลาย เวลาจะดูแลใครก็ตามมิใช่ว่าเราเห็นคนแล้วเราจะแสดงความกตัญญูทีเดียวก็ไม่ใช่เราต้องมองดูซะก่อนว่าคนคนนี้มีเมตตามีน้ำใจมีคุณธรรมอย่างไรเราจึงค่อยแสดงความกตัญญูกตวิทิฏฐิตาตากับคนคนนั้นเหมือนกับเนื้อนาที่ดีเมื่อเรามองเห็นแล้วนาผืนนี้ดี มีปุ๋ยมีน้ำเรากดปักดำลงไปผลมันจะงอกเงยนะลูกนะถ้าว่าเราไปทำกับคนอกตันอยู่แล้วจะไม่ได้ผลผลรานการที่จะทำคุณให้กับคนเราก็ต้องมองดูซะก่อนว่าเป็นผู้มีเมตตาเป็นผู้มีความกตัญญูอย่างไรนี่แหละตั้งแต่นั้นต่อไป ลูกทั้งหลายพวกเซนาราชเวกทั้งหลายก็รู้ละโอ้หรือสีท่านนี้ถึงแต่ท่านอยู่อย่างนี้ท่านก็เป็นผู้มีพระคุณจากนั้นลือสีท่านนั้นก็บําเพ็ญอยู่ในสวนอุทยานจนได้สาเร็จโลกยชฌานจากนั้นท่านก็ได้ไปสู่พรมไปสู่พรหมนิทานเลือชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ถ้าว่าผู้ใดทำคุณให้กับเราเราก็ไม่ควรมองเขาคนที่มีเมตตาคนที่มีความกตัญญูตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คนโบราณเขาบอกกลา่าวแล้วก็ในชาตินั้นพราชาเนี่ยคือพระอนต์แต่ฤาษีนั่นคือเราตถาคตในชาตินั้นนี่แหละคนที่ คนที่เห็นกันเกิดความเมตตาอารีกันรักกันมันเคยคนกลุ่มเดียวกันนะคนกลุ่มเดียวกันเห็นกันถูกฉลกถูกชัตรตาถูกพูดอะไรถูกเก่งทั้งหมดถ้าคนเป็นอริศัตรูกันอย่างเทวทัตเนี่ยพูดยังไงก็ไม่ถูกแสดงยังไงก็ไม่ถูกพูดยังไงก็ไม่ถูกเพราะมันไม่ถูกอยู่ที่ใจเพราะมันความ ไม่พอใจอยู่ในใจพูดยังไงมันก็ไม่ถูกพูดถูกยังไงก็ไม่ถูกไม่อยากจะฟังอีกต่างหากนั่นแหละเรื่องกิเลสมันเป็นอย่างไงนี่แหละสรุปแล้วก็คือเรื่องในชาดกและเรื่องพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านให้มีความกระตันอยู่กระตเวทที่ตาต่อผู้มีอุปกรคุณ ผู้ใดมีพระคุณสําหรับเราเราก็แสดงความกตัญญูอย่างพ่อแม่เป็นผู้ให้พระคุณสําหรับเราเป็นผู้เลี้ยงดูเรามาได้ขาสองแขนสองสมองหนึ่งเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งเราควรจะแสดงความกตัญญูกตเวทิตาอย่างไรกับพ่อแม่ของเราอันนี้เป็นหน้าที่ของเราจะต้องคิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระคุณจุดนี้นะพระคุณของพ่อของแม่จุดนี้น่ะ อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วขนาดไหนเราเห็นไหมเห็นเด็กไหมเห็นลูกของเราไหมเห็นหลานเห็นน้องนุ่งของเราไปที่เกิดมาแล้วเป็นอย่างไรอ่าถ้าเมื่อเราสมัยเราเป็นเด็กนะ่ะพ่อแม่เลี้ยงดูเราไม่แพ้กันนะในเมื่อเราใหญ่ขนาดนี้แล้วนั่นแนหะพระคุณของท่านมากมายมหาศาลเราทดแทนพระคุณท่านเพียงพอหรือ ย, อยังที่ท่านให้ทําให้กับเรา นีงเหลทงตนี้เราต้องนึกย้อนหลังนะไม่ใช่คิดแต่ไปทางหน้าแต่โดยนี้แต่เดี๋ยวนี้โดยมากคนทั้งหลายมิได้คิดไปทางหน้าน ะ, ะมันไม่ได้คิดย้อนหลังคิดย้อนไปหน้าคิดยังไงพอได้แต่งานขึ้นมาก็มีลูกก็ลากลูกล ก, ลก็ลากลูกก็ลากล้านลากล้านลากเด็นลากไปหน้าเลยแต่ลืมลืมพอ่อลืมแม่นะแต่พุทธศาสนาประทรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า ท่านบอกว่าถึงจะรักลูกรักหลานก็จริงอยู่แต่ไ้มองหลังมองหลังคือบุพการีของข่าวของเราเนะี่ยคือใครคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายเนี่ยท่านส่องแสวงมหาทรัพย์มาให้พ่อเราเราก็ได้พ่อเราก็ได้ทรัพย์ของปู่ของยา่าของตาของยายให้มาเลี้ยงเราเราก็ได้ลืมตาอ้าปากได้เรียนหนังสือ ถึงมาถึงขนาดนี้เพราะปู่ย่าตายายพ่อของเราเนี่ยหลายท่านในนึกย้อนหลังท่านไม่ให้คิดแต่มองไปแต่ข้างหน้าอย่างเดียวนะแต่เดี๋ยวนี้โลกทั้งโลกเนี่ยมิตรคิดไปข้างหน้านะทั้งทั้งย้อนหลังโดยมากไม่ค่อยคิดกันว่าหลักของพุทธศาสนาประธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้มีอุปกระคุณจากของเราก่อน อย่างหลวงพ่อเนี่ยึกษามาจากไหนหลวงพ่อระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ที่ให้ท่านให้ความรู้ให้สติให้ปัญญากับเราเนี่ยแหละแต่ทั้งดูไปข้างหน้าแล้วก็เอดเอดีเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานลูกหลุกลานหลานลา น, น้องนหงนุง่น ง, น ง, นงไปอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะเราจะไปมองแต่ข้างหน้าอย่างเดียวมองแต่ผลประโยชน์อติเรกลาบ ต้องการดาบยศชนเสริญจากภายนอกเหล่านั้นทีเดียวไม่ได้เราต้องมองถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราได้เรียนได้ศึกษามาอย่างไรได้ให้ความรู้ความฉลาดกับมากับเราอย่างไรแทนเราไม่ได้ความรู้ความฉลาดมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วเราจะมายืนหยุดจุดนี้ได้ไหมเราต้องคิดนึกย้อนดูให้ดีนี่แหละพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก่อนได้หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า นำมาประพุติปฏิบัติเป็นที่พอใจของท่านแล้วท่านจึงนำมาสอนบอกพวกเราในเมื่อสอนพวกเราเราก็ได้รับธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์เหมือนกับเราเป็นเด็กพ่อแม่ครูบาอาจารย์เหมือนพ่อแม่เด็กเราเกิดมาใหม่ควรจะให้อาหารประเภทไหนควรจะได้รู้เรียนรู้เรื่องอะไรก่อน ตื่นขึ้นมาพอลืมตาท่านจะให้กินอาหารอ่อนๆเป็นพวกน้ำนมอะไร เ, เขาท่านก็ศึกษาขึ้นมาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายของท่านเหมือนกันที่จะเลี้ยงลูกนะแต่ ป, ปลูกป่าปลาลูกลูกของเราเกิดมาใหม่พ่อแม่ก็พ่อแม่ใหม่ก็คงจะไม่รู้จักวิธีก็ต้องอาศัยพ่อแม่เคยเลี้ยงลูกมาแล้วท่านก็แนะนําสั่งสอนพ่อแม่ใหม่ให้เลี้ยงลูกยังไง่ จากนั้นก่อนนะเราจึงได้เป็นมาอย่างนี้ น, ะนี่แหล ะ, ะครูบาอาจารย์ก็เหมือนกับพ่อแม่ของเราแนะนำสั่งสอนบอกกล่าวเพราะนั้นท่านจึงให้ระลึกถึงบุญมเมตตามีพระคุณรือเป็นผู้เมตตามีเมตตานะอย่าลืมบุญคุณของผู้มีอุปการะคุณหน้ออันนี้เจ็บปวดทางนี้ทางนั้น หลวงพ่อไม่ให้ไม่ได้ให้ว่าพวกเราะระลึกถึงบุญคุณหลวงพ่ออินนะนะงพ่อไม่เคยคิดนะเออถึงยังไงยังไงหลวงพอนะ่อเนี่ยนั่น เ, เพียงพอฮเอ่เออันนั้นเป็นหัวใจของแต่ละท่านแต่ละคนแต่หลวงพ่อเองน ะ, ะระลึกถึงอา่าเป็นหัวใจของหลวงพอ่อแต่จะหัวใจของคนอื่นเป็นหัวใจของคนอื่นไปนี่แหละ อันนี้เขขอให้พวกเราทุกๆท่านนะนี่เลคือหลักธรรมคาสอนที่พระพุทธเจ้าที่แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวนะและก็พร้อมกันพวกเรามาบวชในคราวนี้ครั้งนี้เรื่องจิตภาวนานะเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งเป็นหัวใจละคราวนี้นะพนาัการนั่งภาวนาให้นั่งพยายามนั่งให้นานให้มีสติสัมปชัญญะกับตนเอง นพึพุโทโธพุทโธมันปลงไปดึง ก, กลับมานั่งให้นานดูให้นานเสียสละเรานั่งอย่างอื่นเราเดินอย่างอื่นเราทําอย่างอื่นมามากต่อมากแล้วเราเสียสละเพื่อนั่งภาวนาเนะี่ยดูสิเอาหลายๆชั่วโมงดูสิเป็นยังไงนี่แหละเป็นหน้าที่ของพวกเรานะพยายามทําจิตใจให้สงบให้ได้เรื่องที่เป็นสมาธิเนี่ยแหะสำคัญเป็นพื้นฐานซะก่อน เมื่อจิตใจเป็นสมาธิเป็นพื้นฐานแล้วนะจากนั้นเรานำมาพิจารณาทางด้านปัญญาสมาธิคืออะไรปุ่งพ่อเคยเปรียบเทียบให้ฟังก็วิธีการพักผ่อนนอนหลับคนถ้าไม่ได้นอนหลับแ้่ไม่ได้พักผ่อนไม่ได้ทานอาหารไม่ได้ทานอาหารไม่ได้นอนแล้วพวกเราจะทำงานยังไงทำงานไม่ได้ทำงานไม่เป็นงาน แต่เมื่อพอเราพักผ่อนนอน อ, อได้เต็มอิ่มแล้วนะแล้วจากนั้นก็นลุกไปกินอิมอ่มท้องแล้วงานกออ็การงานก็ได้พักผ่อนแล้วก็ไปทํางานออไปทํางานประเภทไหนก็เป็นชิ้นเป็นอันจะทํางานเกษตรเป็นงานบัญชีงานอะไรอะไ ร, ะไรเป็นชิ้นเป็นอันเพราะเราได้พักผ่อนแล้วก็ได้ทานอาหารพักผ่อน นี้ก็เหมือนกันสมาธิคือการพักผ่อนทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบแล้วหนึ่งเป็นหนึ่งแล้วผ่านความสงบแล้วผ่านการพักผ่อนแล้วนํามาพิจารณาทางด้านปัญญาก็เป็นปัญญาที่แท้จริงเป็นชิ้นเป็นอันเป็นปัญญาที่เรียกว่าภาวนามยญปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตใจให้สงบผ่านความสงบมาก่อน พิจารณาไตรลักษณ์อนจางทุก ข, ขังอนัตตาพิจารณ า, าสุภปะปิปสุภังธาตุสีดินน้ำลมไฟแยกแยะสวนร่างกายก็เห็นเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาเห็นเกิดความเบื่อหน่ายคายหลุดหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสในที่สุดนะนี่แหละเรื่องสมาธิหลวงพ่อเองอยากจะให้พวกเราทำจิตใจให้สงบที่ใจให้จิตใจเป็นสมาธินี่แหละจุดนี่แหละเป็นจุดที่ เริ่มต้นนับกอไก่ถ้าเราจิตใจมีพลังเรื่องสมาธิดีแล้วน่ยจากนั้นก็เดินทางวิปัสสนาเหมือนกับเราพยายามเรียนอกอไก่ถึงหอน้องหูให้จบซะกอ่อนพยายามเรียนให้จบกอไก่ถึงหอน้องหูเรื่อนับเลขหนึ่งถึงเลขสิบเขียนให้ได้อพอเขียนอ่านเลขหนึ่งถึงเลขสิบได้แล้วอกอไก่ถึงหอน้องหูได้แล้วจอไป ผสมประสานอะไรแบบนี้แอะสะอาดเราก็เรียนไปพร้อมกันตัวอักษระสระอาดตัวอักษรพอเรียนจบเราก็ผสมประสานอะไวนีนี่แหละนี้ก็เหมือนกันเมื่อจิตใจของเราเป็นสมาธิดีแล้วจากนั้นก็นเดินทางวิปัจนาอะไรตัวนี้กำหนดพิจารณาพิจารณาร่างกายเห็นร่างกายสังขารแยกส่วนแบง่งส่วนดูซีเหมือนกับแบง่งเขา แบ่งแยกอาจารย์ใหญ่ลักษณะอย่างนั้นล่ะนะแต่เมื่อเราเห็นตามความจริงจิตใจของเขาไม่เบื่อมากก็ต้องเบื่อนเอยเห็นรู้เห็นตามความเป็นจริงเราจะไม่ติดในโลกในวัฏสงสารจนเกินไปเท่นี่นะตอนนี้ไปก่อนที่จะแยกย้ายกันนั่งสมาธิสักก่อนนะอาจะชั่วระยะหนึ่งแต่การนั่งสมาธิในคราวนี้หรือครั้งนี้หรือทุกครั้งการนั่งสมาธิรวมเลย มันก็เป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งแต่เอาจริงเอาจังจริงๆนะหลว ง, งพ่ออยากจะให้นั่งตามลำพังหยุดกุฏินจะิตใจเราจะไม่ส่งออกไปข้างนอกไปไม่ส่งหาหมู่หาเพื่อนเสียงไอเสียงจามเสียงกุกกะมันเป็นเอกเทศจริงๆอันนี้เพียงแต่ว่าเรานั่งอยู่ในหมู่ในคณะเป็นการนั่งให้เห็นว่าเราเป็นยังไงเรานั่งอยู่กับหมู่กับเพื่อน ด้วยความเกรงใจหมู่พวกเพื่อนเราก็นั่งได้ในระดับหนึ่งแต่เอาจริงเอาจังจริงๆนะหลวงพ่อจะให้นั่งตามลําพังนะอันนั้นเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆท่านจะบังคับตนเองนะพิธีนั่งตามอยู่ในกุติของตนเองนะเอานั่งธรรมที่ก่อนนะ